50 languages. 95. คำสันธานสอง Conjunctions เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร Desde cuándo no trabaja. ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ DES DEL SEU CASAMENT? ใช่เธอไม่ทํางานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน sí ELLA NO t r a b a l l a DES QUE ES VA CASAR. ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทํางานอีกเลย DES QUE ES VA CASAR, ELLA YA NO t r a b a l l a ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุข ดันซากส e คูเนชันซ e นฟอลิสส์ตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยดิสเกตินันแนนส์สุรตันพักเธอโทรศัพท์มาตอนไหนขณะขับรถหรือต ใช่ขณะที่เธอขับรถซิตุสกุลดุอินเธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ per ทรูเกปัลโทรศัพท์เมนตราคุนดูเอชเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้ม plan ามิราลาทีวีเมนตราปลันช์เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน ascolta la musica mentre f a l s d e u r e s ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น no veo res q u a n d o tengo o l l e r e s ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป no e n t e n c res q u a n la m ú s i c a e s t à tan f o r t a ดิฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นวัดเราจะนั í, ่งแท็กซี่ถ้าฝนตกอาการเรมุนแท็กซี่สิเปาเราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่รักู r ์เรมอลมอนซิกวั a n y e m la l o t e รี a ถ้าอีกเดียวเขายังไม่มา